แ ก, ก่สินรับในกำลังสังเทศยันแก้ได้แต่บางทีเขาก็กแยกไปเพราะมันบังคับไปในขณะไปนั่งขมสงบยังแก้ได้แต่ออกมาจากนั้นมาแล้วไปเข้าสังคมไม่ติดเลยมันเป็นอย่างมันสู้ไม่ได้เลยอันนั้นแสดงว่าเราไม่ทําตามแต่ตัวเองว่าตัวเองทำตามมันเป็นอย่างนั้นนี่นักวิชาเออมันเป็นอย่างนี้ก็เลยเข้าใจวันนี้ก็เลยมาพูดตอนที่เรื่องรูปนานุมันเป็นปนิัตานูวันนี้พอรู้รูปนานจบแล้วเป็นนิพพตนู คำ ว, ว่าวิปัสนาุนี่ตำลาเขาก็บอกว่าวิปัสนาอุปกิเลสสิบหกประการนี่เาวาตำลามีแล้วนะแต่ไม่รู้มันกลับไปภาควิจาร์ออกนอกตัวไปจริงไหมมันเนี่ยพากวิจาร์เรื่องนั้นเรื่องนี้แบบนอกตัวไปมันรู้มันป่าตัวอีกแล้วอันความรู้สึกตัวนี่เป็นเหตุจริงๆคนมันจะเกิดปัญญาให้เราแก้ได้จริงๆเราเคยได้ยินไม่ได้ว่าเคยได้ยินเราพวกกับปากตัวเองก็เคยพูดแลย้ยอยู่ที่นี่ต้องพูดพุกสมุทยัยนีนโรดมากเคยพูดไหม เคยพูดหลายคนนะเ ค, เคยพูดหลายคนออเคยพูดทุกคนเลยแล้วแล้วไม่รู้คนมามันจะพาพวกเราก็เคยพูดบ้างไหมะครับ <social media. S 1> เคยแต่ไม่ไม่เคยรู้นะจะพูดไแต่ไม่รู้ <fish> สําคันยังวะเนี่ยทุกวันเราไม่รู้เลยตัวคิดเนี่ยมันทุกมันคิดออกนอกตัวเราไปเนี่ยเป็นตัวสมุทัยเลยสมุทัยทําให้ทุกเกิดเราเราไม่รู้ตัวมันคิดออกนอกตัวไปนี่เป็นตัวสมุทัย เราไม่รู้มันคิดเนี่ยเป็นผลออกมาคือผลก็ได้รับภกนั่นเองไม่ต้องมากนะทีนี้ไม่ต้องเกี่ยวกับตัวทุกข์สมุทัยแล้วตอนนี้ถ้ามันรู้สึกที่มันถ้ามันรู้สึกตัวเพราะที่มันคิดปุ๊บมันก็เลยไม่ได้เข้าไปปรุงมันก็เลยไม่มีทุกข์นี่มันมาแตใกล้ทีทีเดียวไม่ต้องไปไกลทีเดียวนี่ยที่เอามาเอามาใช้กับตัวแตมาทุกข์สมุทัยมันเป็นคําเดียวกันเราไม่รู้ควมคิดมันออกไปมันก็ไปปรุงที่ดีใจเสียใจอย่างนี่ เนี่พอใจไม่พอใจมันมีเนี่ตัวทุกข์ขึ้นมาแล้วบนี้อันตัวมันคิดท่านอะไเราไม่รู้มันคิดมันเป็นทุกข์ไม่รู้อาจารย์เช่นตกเย็มที่อย่างรู้นะนี่มันเป็นวิปัสนู๋ทบัดนี้มักบึเนี่ยเมื่อคือเรารู้ตัวเรานี่เองเอาสติมาคอยจ้องอยู่เนี่ยมันจ้องอย่าไปจ้องมากถ้าจ้องมันจะมือมีจี๊สหนักหัวหนักอกหนักใจมันหนักถ้าไปจ้องมันทำสบายสบายมันเคลื่อนไหวโดยวิธีพอรู้อันอรู้นี่เรียกว่ามักรู มักจะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เคยพูดบางไหมอย่างหนึ่งเคยพูดนะเนี้ยมันมันเยอด้วยกันเนี่ยแต่เราไม่เข้าใจแต่พูดได้ไม่เข้าใจอันเนี้ตัวธรรมมามไม่เข้าใจพวกท่านคงจะเข้าใจก็ได้แต่ฟังดูแล้วกันหายคลายกันอะย่างเงี้ยแล้วเห็นมาฟังกันพูดก็จะ เ, เรื่องที่มันจะไปแก้ทุกข์ทางนั้นแต่ว่าตัวจริงยังไม่เคยเอามาทํากันเงินประเพณียังไงยกอึดใจเดียวเท่านั้นเองอยาขมไครอดดินได้ครบแก้ให้ ในจริงๆแต่ไม่ต้องเอาอันน้ำอ้อยน้ําตาลมาเคลือบมันเดี๋ยวนี้เอาจะน้ำอ้อยน้าตาลมาเครือบยาขมกินให้มันกินได้สบายเลยแกคุ้มจริงอันนั้นดีแล้วแต่ว่ามันแก้ทุกไม่ได้เลยมักคือเรามาให้รู้สึกนี่เองผลของมันมันจะดับทุกได้เลยมักนิโรธนี่นิโรธมากเสนอมนกลับกันคือมันไม่ได้ปรุงเลยเมื่อคนคิดไม่ถูกปรุงมันก็เป็นนิโรธไปในตัวมันเลยไม่ต้องพูดเลยมาทุกสมุทัยเดินมาไม่ต้องพูดเลยก็ได้กัน อาตมาเคยพูดให้ฟังบ่อยๆเหมือนเอาเสื้อเส้นเดียวมาคืงไว้ตัดตรงกลางมาแล้วมันไม่ถึงกันแล้วอันนี้เรียกมักนะมันไม่ถึงกันแล้วมันก็พุกงต่อกันไม่ได้มันก็มันก็เป็นดีโนดมันก็ตัดวงจรเนี่ยมันก็ไม่เป็นวัตฏะแล้วมันมันไม่มีเรื่องอะไรนาโยมและครูบาอาจารย์ทุกท่านแต่มันมีเทคนิคมันมีกลไกเทคนิคมันเป็นยังไงสันนิยกลไกมันเป็นยังไงสันนิยมันต้องปฏิบัติกันจริงจังไม่เอาจริงเอาจังไม่รู้เรื่อง เข า, าอาตมาเคยเห็นอาตมาพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีพศ2500เป็นโยมพูดมาครับสองปีกับแปดเดือนเป็นโยมสอนมารู้แต่คนมันก็อือกันไปที่คำพูดแต่เพราะมาตำนานมันมีที่บนีมาบสถบนเนี่ยบูกก็พูดเลยเพราะต้องการอย่างนี้เพราะเจ้าของชอบอย่างนี้ใครจะพูดยังไงก็ตามเราจะพูดความจริงให้คนฟังเข้าใจอย่างนไงอันนี้เนี่ ย, ข อ, อนนยของจริงแท้ๆอันนี้แหละของจริงของสั้นๆไม่ไปทําให้มันยาวนะ ขอสบายสบายไม่ต้องไปทํามันมันยุ่งถ้าเราไปทําของสา้นไปให้มันยาวมันก็นานจบทําของสบายสบายมันยุ่งมันก็ยุ่งขึ้นมามันก็เลยไม่เข้าใจเลยที่พูดนี่น่ะอังคมรู้สึกอันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะไปบังคับได้จริงๆแต่ทำรู้เดียวนี้เนี่ยรู้ข้างเดียวมันก็ไม่ได้มันก็เราไปเรียนหนังสือเนี่ยพวหนูเรียนหนังสือเอาก็จะได้ปริญญาไม่กี่ปีออกพูดให้เปล่ากีพูดกี่ปี เจ็บปีพุณน่าจะตั้งหลายปีนะเขาจะได้ปริยาตีปริญาโถปริญาเอกมาพูดเนี่ยจะเรียนคอไก่ผสมนึ่งผสมสองบ้านโลกงพอเขาเรียนกันแล้วเดี๋ยวนี้มีโรงเรียนปีหนึ่งยังยังยังไม่เป็นอันนี้เรามาทิกมือบันเดียได้แย้มมันครบมันก็ไม่ครบเลแล้วเนี่ยมันมันมันมันพอแหงแนละ้วมันเป็นสําดานมาพอแหงนะเราต้องฝึกฟื้นฟูอันวิธีรู้สึกตัวเนี่ยเป็นการไถถอนเอา ทำสอนของพระพุทธเจ้ามาให้มันเข้ามาสู้กับโลกนี้ได้โลกคือใครมาสู้ตัวเรานี่แหละจะเอาไปสู้คนอื่นนั้นบางทีเขาจะไม่ชอบแล้วก็แล้วงใ่เราไม่มีเรื่องอะนี่แม้ว่าควรที่ทําอันนี้เลยเป็นการทําให้หลักพระพุทธศาสนาเจริญจริงๆไม่ต้องไปอะไรมากกันทําไมจึงว่าหลักพระพุทธศาสนาเจริญได้เนยอ้าวเราก็ได้ยินอยู่แล้วเนี่ย พ, พุทธศาสนาจะเจริญงอกงามก็ต้องอาศัยบริสตี คือภิกษุภิกษุนี้อุบาสกอุปสิกขาเนี่ยถประพฤติปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินยัยหรือตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วมรรคผลนี่ผ่านไม่ว่างจากรกนี้ทั้งวันในทางตัวกันข้ามมันเนี่ยพุทธศาสนา จ, จะอันตรทานหายไปก็ต้องบริษัทสี่นี้เองไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติไม่ทําให้ถูกต้องตามพระธรรมวินยัยก็หมดไปเท่านั้นเองดังนั้นหลักวิธีการเคลื่อนไหวไเนี่ยหมดไปนานแล้ว เราก็มีที่เสียงไปพูด ก, กันได้ว่าสติประฐานสี่อันนี้สองสติประฐานสี่มีที่พูด ก, กันอย่างนั้นแต่ไม่เอาวิธีมาทํามันก็ไม่มีเทคนิคมันก็ไม่มีคนใจมันก็เลยไม่รู้ที่บริญญาคนพูดก็ถือว่าตัวเองอวดดีกคริีว่าไม่ได้อวดดีเอาคนจริงมาพูดให้ฟังไม่ได้อวดดีนะอันเนี้ยไม่ได้เรียนตาําราจะมาอวดดีทําไมจะเอาคนจริงมาว่าัเขารับรองวิธีนี้รับดองจริงจริทีแรกรู้รูปนาเข้ามามันจะไปโดนนิสสานูรุทันทีไม่มากกว่็น่อย อ้าวตอนรู้จากคมคิดเข้ามาเนี่ยมันจะจิตใจมันจะวันที่หนึ่งนะเราเมื่อจิตใจเราจะเปลี่ยนออกจากภาวะนี้ไปเข้าสู่สภาพนั้นเป็นปีไหนกันมันจะเป็นปีตรีนั่นเป็นปีตีนี่เป็นอย่างนั้นบัดนี้เมื่อมันเข้าสู่สภาพนี้แล้วมันจะไปถึงที่สุดของทุกมันจะเป็นที่พหลาดมันต้องมีเทคนิคมันต้องมีกลไกบุคคลที่สอนต้องรู้จริงๆถ้าไม่รู้จริงๆเอาเราไปก็ไม่ถูกขาดไม่มากก็น้อยเราจะไปหลงทางจริงๆนะอันเนี้ย ถ้ามีทางดีๆแล้วมีคนเดินหน้าดีๆออกไปทาํานี้อย่าไปท่านอเลยเราก็เดินทางไปมันก็ไม่นานก็ถึงที่มันเดินเนหลงวกวนอยู่มันอยู่กับคาแล้วันนีุ้นี่นเป็นยางนั้นชีวิตของคนมันไม่รอคอยไม่รอคอยแต่แค่วันหนึ่งก็มีสิบสองชั่วโมงเนี่ยคืนหนึ่งกับสิบสองชั่วโมงก็บยี่สิบสี่ชั่วโมงไปแล้วหมดไปแล้วมันกินเราอันนี้แหละมันกินเราพระพุทธเจ้าท่านจริงสอนเอาไว้แต่ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้านะั่นพราะแม่ก็เคยได้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 คนที่เกิดมาเพียงวันเดียวเนี่ยรู้เห็นเข้าใจชีวิตของคนนั้นประโยชน์ของคนนั้นคุณค่าของคนนั้นดีกว่าคนเกิดมาร้อยปีอันนี้พ่อแม่ครูบาจังร้อยตัวเองก็เคยพูดมาแล้วเลยแต่ไม่เข้าใจเนี่ยจึงว่าเกิดจากท่อแม่เขานั้นอาจจะมาชีวิตของอจะมามีค่าน้อยมากพอดีมารู้อันนี้ชีวิตนี่มีค่ามากที่สุดเข้าใจว่ามีค่ามากที่สุดจริงๆบวชมาร้อยปีแบบนี้ถ้ายัางไม่รู้สภาพอันนี้ภาว่าอันนี้ การบวชของบุคคล น, นั้นก็เป็นหมันเป็นโมฆะทั้งหดไบุคคลที่บวชมาเพียงวันเดียวแต่มารู้สภาพอันนี้ลู่ภาวะอันนี้ดีกว่ามีประโยชน์กว่าบุคคลที่บวชมาร้อยปีทั้งหมดเนี่ยเราจะไปเสื้อกันที่ไหนตัว น, นี้เรารู้แล้วหรื อ, อยังถ้าเราไม่รู้จะเป็นนอนใจนะอันนี้ทําเพื่ออะไรทีนั่นอาจารมาเคยพูดให้ฟังจวนจกียหมดลมหายใจเราจะประสบจริจริงเราเกียม์ไห้เราเรียรไหมให้มันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเราเครื่องไม้เครื่องมือเร า, เรเรเราให้เรารู้วิธีอันนี้คนไกลมันอยู่ที่ตรงนี้เอง แต่เมื่อไม่รู้อันนี้กับพูดไปทั้งวันทั้งคืนกับพูดเป็นคดีเหมือนกันแต่พูดทวันนี้ก็ไม่เหมือนทุกวันเนี่ยพวกท่านบอกฟังนี่ก็รู้สึกโอ้ยขนหัวใจฟังไม่ได้เรื่องดีว่าอย่างนั้นแต่มันเป็นเนื้อแท้เนื้อนะ่เป็นหัวใจจริงๆทุกคนศึกษาได้ทุกคนต้องมีแล้วอั น, นพร้อมแล้วมีแล้วแปลว่าเราจะทําให้มันมีดื้อทำให้มันไม่มีจะทําให้มันปรากฏขึ้นมาหรือจะไม่ทำตอนนั้นเองแต่เมื่อไม่ทําให้ปรากฏจริงๆเรืงนี้แม้จะไปรักษาจินอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ จะไปทํากรรมฐานก็ไปอีกเรื่องหนึ่งจะไปอะไรก็ตามต้องเป็นคนละเรื่องเลยเพราะการเคลื่อนไหวนี่มันมันเข้ามาสายในีทีเดียวมันเป็นลูกปืนแจลูกนมพิมันไม่ใช่เป็นลูกกืนแจลูกนั้นและถามก็ไปทางนี้มันไม่ใช่ไปทางนั้นควงต้องงบมันจิ๋วมีสองอันมันแยกกันที่ตรงนี้ทีเดียวการศึกษาสีนี้เป็นปีเก่านะต้องศึกษาวิธีคนของเก่าจริงๆเนี่ยของเก้าตัวเราเกิดมาแล้วก็เป็นของเก่าที่มูลระดกอันนี้ยพอแม่ให้มาแล้ว ปู่ย่าตายายให้มาแล้วหลายส่วคนแล้วท่านให้มาแล้วแต่เราไม่เคยเอามาใช้ของเก่าเนี่เอาแต่ของใหม่เรื่อยไปมันก็เลยไม่รู้ของเก่าเลยเลยไม่รู้จริงๆอาจจะมาอายุสี่สิบหกปีอย่างลู่ปลาโถมันแทบจะตายไปเกแล้วนี่มันมันจะเสียหลักแล้วเป็นอย่างนั้นพรมรู้อันนี้เนี่ยเราจะเอาเงินไปซื้อไม่ได้จะเป็นเรียนตํานานแล้วให้มันรู้อนี้เก็ไม่ได้ มันต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติจริงๆเรืองนี้หรือจะไปฟังไปถามแก้ปัญหาคนนั้นคนนี้ก็แก้ไม่ได้อนี้อาตมาเคยเคยไปแก้ปัญหากับอาจารย์อาจารย์ถามมักพิกเผ็ดไหมขึ้นเพราะมันรู้แล้วเนี่ยมักพิกไม่เผ็ดมักพิกกับมักพิกอันเดียวกันไงเกลือเค็มไม่ไม่เค็มน้ำอ้อยหวานไหมน้ำอ้อยน้ำตาลไม่ไม่หวานอาตมาบอกอย่างนี้ทําไมที่มักพิกไม่เผ็ดมักพิกมันอยู่กับท่อพุ่นอยู่กับต้นเหมือนทุนไม่ได้กินมันจะเผ็ดไปทำามเกลือมันกระโยกพุ่น มันก็ทอนพุ่นอยู่ไกลไกลพุ่นมันก็ไม่ไม่เข้มน้ำอ้อยน้ำตาลก็อยู่ที่ไหนพวกมันไม่ได้กินมันมันมันไม่หวานไม่เปรี้ยวอะไรก็ตอบอย่างนี้เลยเห็นบอกบ้ามันก็บ้าจริงจเขานั้นไม่รู้มักเผ็ดนี่มันเผ็ดใครถามว่ามักเผ็ดมันเผ็ดแต่ควาจริงตัวเองไม่ได้กินมักเผ็ดเลยไม่ได้กินน้ำอ้อยน้ำตาลอยู่ที่ไหนก็มีคนถามก็หวานเกลือก็เค็มแต่ความจริงอันนี้ก็เหมือนกันโอหลักพระพุทธศาสนาในเมื่อคนเข้าสู่สภาพภาวะอันนี้แล มันจริงมันแนบแนบอยู่กับสิ่งไม่จริงๆอันนี้แหละมันเป็นทุนของทุกคนควรที่ศึกษาเอามาไว้เมื่อรู้อันนี้ชีวิตของเราจะมีราคามากมีค่ามากที่สุดเพราะว่าซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ชีวิตี่จริงไม่มีราคาคนขายพันหนึ่งสองพันล้านหนึ่งสองล้านไม่มีคนซื้อเลยและก็ไม่มีคนขายเลยเป็นอย่างนั้นจังหวะชีวิตเนี่ยควรให้มีราคาจริงๆแต่เราไม่สนใจเรื่องนี้เราไปสนใจเรื่องอื่นมันก็เลยรู้เป็นเรื่องอื่นไป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 ทำปูซาพระธรรมเจ้าทำปูซาพระสงฆ์พระพุทธเจ้าคือใครเสยพระพุทธเจ้ากือขมรู้นั่นเองถ้าทําเนี่ยคือการกระทำนี่เองพระสงฆ์คือปฏิบัติตามที่เรารู้นั่นเนี่ยยังว่าไม่เป็นคนอาักขันยูเจ้าของรู้มาแล้วไปทิ้งบางคนไม่ตามเลยเนี่ยเป็นคนอาักขันยูคนนั้ไม่ใช่ว่าอักขนยูอย่างที่เราเป็นยันต์ท่านที่ไม่ใช่อักขันยูคือเป็นคนลบล้างตัวเองยังว่าคนไม่เคารพตัวเองเนี่ยจะไปเคารพผีได้ไหมไม่ได้จะไปเคารพเทวดาได้ไหมไม่ได้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 สองเป็นพระนาคามีท่านวานันมีอยู่ในหลักสูตรธรรมวิจารณ์อาจารมาได้ดูแต่วิธีนี้ไม่ต้องเอาจากนั้นหน่อยไม่ต้องเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องเป็นพรนะนาคามีแต่ทุกข์น่าจะลดน้อยไปความสงสัยแลาจะหมดไปนั่นนี่คนสงบอยู่ที่ตรงนี้สงบแบบนี้ไม่ต้องไปนนางเนี่ยสงบเพราะการหยุดเรียนสงบเพราะหยุดการไปศึกษากับคนนั้นคนนี้สงบเพราะหยุดเพราะไม่ไ ม, ไม่ถามใครแล้วพอเจ้าของเรียนจบมาแล้วความสงบแบบนี้ไม่ใช่สงบแบบนางที่ว่า สงบแบบนี้คไปทําการทํางานอะไรได้ทุกอย่างสงบแบบที่อาจจะมาพูดเขียนหนังสือกระสงบเพราะเราไม่รู้ก็ต้องเรียนยังไงแต่เรื่องชีวิตที่สงบแล้วไม่เดือดร้อนเนี้ยเข้าใจอย่างนี้สงบอันนี้สังหาเนี่ยควรสงบที่ไปนั่งสงบนั่นอีกเรื่องนึงกลับมาที่มาก็จะไม่สงบอีกแล้วมันเป็นยังไงควรสงบอันนี้เป็นวัตถุพวกเราเคยได้ยินพระว่ากเล็กเรียนมาจากอาจารย์แล้ว ไม่สงบเลยพอดีอไปเจอพระพุทธเจ้าจะฆ่าพระพุทธเจ้าตามพระพุทธเจ้าหาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เสียสละอย่างนั้นอย่างนี้พวกเธอเรียนมามากแล้วไม่ต้องพูดเรื่องอาตมายังไม่มีความรู้เพราะกเธอขอบคุณมีความรู้มากสมะนณะคนเดินไม่กลัวตายทําไมเดินไปทําไมอ่เพราะเราไม่ได้เดินเราหยุดแล้วเนี่ย ย, ย, ย, ยุดปฐมมยโกหกโอ้คนดีมานอ้าวเราหยุดแล้วเหความสงบพระพุทธเจ้าอ่ะ ไม่แค่สงบอย่างที่เราสงบนี้อันนี้มันสงบผิดกันเราหยุดแล้วเธอที่ไม่สงบเธอที่ไม่หยุดอ้าวเนี่ยเรานี่ไม่สงบไม่หยุดอีกงนี้เนเนี่ยทำชั่วพูดชั่วเลยพระพุทธเจ้าว่าเออก็เลยหยุดทันทีอันนี้เดียวความสงบของพระพุทธเจ้าสอนสงบแต่ว่าหยุดเปลี่ยนหยุดหาหยุดไปแสวงหาครูอาจารย์สงบแบบนั้นอันนี้สงบอันนี้และสงบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันพรอบครอว่าคนสงบมันได้มีมิติแบบนี้มีมิตแล้วเครื่องหมายแบบนี้ แม่ใช่นี่มิเป็นนั่งอยู่นี่เห็นผีเห็นเทวดาเห็นพระพุทธรูปอนันตมรรคเห็นสิ่งที่เห็นนั่นแะเห็นจริงแต่มันไม่ใช่เป็นของจริงนะเขาเรียกมายากลไก ข, ของจิตขเขาจะว่าจิตนี้ก็กลับได้ไวดุดมีลานไขในต้นเราท่านควรบังคับต้นให้จิตหมุนมาในทางข้างดีเพราะปล่อยให้มันหมุนไปในทางข้างดี้ทำที่นี่ก็จากนี้จากนั้นหายสูญทําเข้าเ ข, ข, ข้างำควรระยำสมบูรณ์ะ พอปิ้นปอกหลอกต้นให้นํามาเล่าให้ฟังเนี่ยคือเรามันไม่รูกมันจะหลอกเราได้ใจเราที่เราลอกมันหลอกเราจริงๆเราจึงไปเห็นนิมิตจิว่านิมิตนั้นมันมันไม่เป็นของจริงแต่นิมิตเป็นของจริงเนี่ยมันก็คําเดียวกันคําว่านิมิตเนี่ยนิมิตแล้วเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรก็เครื่องหมายจะให้มีสติเข้าไปแนบแน่อยู่ที่นั่นหรือจะให้ความรู้สึกเข right ้าไปแนบแน่อยู <mam izada> mm ่ท hmm. <ute pun itive rhythm> you know, ี <te> ่ตรงนั้นเพราะจิว่านิมิตเนี่ยสําคัญขันท่านนิมิตเป็นมายาของจิตใจแล้วน่ะ อันนั้นมีมิดเหมือนหลอกเราพรเราไม่เห็นจิตเห็นใจครับอาตมาเดินอยู่หน้าข่าวนั้นะเดินดูเห็นเลขเดฉยวติดอยู่กระดานขวาเออนึกว่าจะไปซื้อเลขอุนี่มันเป็นยังไงเห็นชัดจริงๆตัวเบลเลอร์ท่อความมือนี่พอที่ไปนั่งเออไปเยินดูเอ้มันเป็นอย่างไงก็เลยนั่งลงนั่งลงกระเยียดเข้าเข้าไปเลยมันไม่จริงดอกนั้นหายแป๊กไปเลยนี่ว่าเห็นจริงหมดเลยแต่ของที่เห็นนั้นมันจะเป็นของจริงมันหลอกเราครั้งหนึ่งก็เห็นผี ผปกหัวมาขาวๆมานอนลุกยืนขึ้นโทษจะลุกไอเลยทีเดียวนี่แหละจิวสิ่งที่เห็นเห็นจริงแต่สิ่งที่ทูกเห็นมันไม่จริงอันนั้นไม่ใช่เป็นมีมิตไม่ใช่เป็นอะไรมันกลไก ข, ของจิตเราไม่เห็นจิตใจเรามาลอกรอเป็ว่าจิตนี่เก อ, อกกับได้ไหวลุดมีลานไขในต้นเราท่านควรบังคับกลหนึ่งให้จิตหมุนมาในแต่ทางข้างดีเพราะต่อยให้มันหมุนไปในทางข้างขี้ ทำที่มีก็จากนี้จาก น, านั้นหายศูนย์หนึ่งทําเข้าครอบงำความระยำสำ불เต้นปอกหลอกต้นนี่นี่เป็นอย่างไรอันนี้ก็พูดกันต่อไปกระต่ายเห็นว่าดูเธอนักบวชบางคนนะจ๊ะเอาปอดอันนี้ก็าอดแล้วไม่ต้องพูดไต่เดียวนั้นมันเข้าใจผิดอันนี้แหละให้เราเราทํากันในมือจูยาไปติดอนนั้นแต่กลับไปห้ามให้เราเอาความรู้สึกอันนี้ทีเดียวเมื่อมันคิดรู้ปล่อยไปเลยมาอยู่กับความรู้สึกตัวนี้ อย่าไปเข้ากับพมรู้อันนั้นคันถ้าไปเข้ากับพมรู้อันนั้นมันจะคิดไปเรื่อยๆไปเลยแล้วธรรม ท, ทีมีจริงๆมันจะไม่แสดงเลยมันก็นเลยไปแสดงจะเป็นมายาหลอกตัวเราไปอย่างนั้นตลอดสีตลอดชาติไป <c oughs> ที่พูดเนี่ยเอาความจริงมาพูดให้ฟังและวิธีปฏิบัติง่ายๆที่สุดไม่ต้องขึ้นอยู่กับตําราเนี้ยแต่ขึ้นอยู่กับตัวเราใครทําคนนั้นรู้คนใดไม่ทําไม่รู้ไม่รู้จริงๆสมมุติอาจมากรรมือเนี่ยมู้เห็นว่ารู้เขรากรรมมือรู้ไหมไม่รู้ รู้รู้เราะกรรมือเนี่ยเห็นว่ารู้เพราะกรมือรู้แต่สุกความสัมผัสของท่านจะได้มีเลยให้มันมีความสัมผัสเกิดขึ้นมาจากจิตสํานึกจริงๆอันนี้จริงว่าไม่ไม่เชื่อใครแลยาจะมาตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงแบบนี้ไม่เชื่อเลย mm hmm. พูดจะนันงกับพูดได้เข้าใจอย่างนั้น mm hmm. อันนี้มันจะเข้าสู่สภาพของมันจริงๆ mm hmm. ทํารับรองว่าไม่เกินสามปีอ น, นี้ทําจริงๆนะติดต่อกันจริงๆนะแต่ว่าเป็นคนพูดจริงอีกด้วยนะไม่ใช่ว่าทำสามปีเล่นๆเนี่ยไม่จริงต้องจริง อาจจะมาไปทํามาแล้วนี่แต่ทุกคนก็มีแค้งขาหน้าตามือเท่าเหมือนกันผู้ชายก็มีเหมือนกันแต่ผู้หญิงก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสภาพเพศหญิงเพศชายเท่านั้นะเรื่องจะลูกอันนี้รู้เหมือนกันอาจจะมาเคยแนะนํามาแล้วผู้หญิงก็มีลูกกันเนาะผู้ชายก็มีลูกกันเนาะถ้ามันเข้าสู่สาภาพของมันแล้วตดใจเลยคนบางคนแล่นมาถามโอ้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้โอ้คุณให้ฟังโอเรื่องเท่านั้นเองเนี่ยมันเป็นอย่างไร้นข้อขอไม่เคยเป็ี่ยนเน็ตมันก็เป็ียนติเหมือนกับปิงเนี่ย มาจับเราเราดึงจริงมันไม่อยากออกเลยเอาปูนกับยาไปคลุกน้ําแล้วเอาน้ําปูนน้ายามาบีบติงมันล่นมันพอดีติงมันล่นมันก็เบาขึ้นไปหนี้เมื่อติ้งมันจับเรามันดูดติ้เลือดเรามันก็หนักมันก็ติดเรามันก็มันไม่ออนดืงมันก็หนักอย่างนั้นบัดนี้อยากไปจับติ้งเอายากับปูนไปคลุกน้ำมาบีบน้ํายาลงใสที่นี้พอดีน้ํายาน้ําปูนไปชุบตัวติ้งมันหล่นเลยพอดีติงมันล่นแล้วมันก็เบาขึ้นไปเบามันก็สบายใจขึ้นมาม็นักกตในปคน ถ้าถ้าคนเคยห้าของหนักมาแล้วนี่คือจะพูดถึงมัตฏะสงสารเนี่ยจะไม่ต้องพูดหลับมือเนี่ยเพราะว่าพูดมานานแล้วนี่ให้เราทําความรู้สึกตัวนี้จริงๆแต่ว่าใจมันคิดให้รู้ไม่ใช่รู้รู้แล้วเข้าไปในความคิดไม่ได้อันหนึ้งพอดีรู้ปุ๊บอยากไปดูมันควคิดอ่ะกลับมาให้มีสติอิสตุนีถ้าไปดูควมคิดมันจะลอกทันทีแลยความคิดเนีอยมันไปอย่างที่ว่าทำที่นี้ก็จะหนีจากนายหายสูญเน่ะมันจะหนีจากเราไปเพราะมันดึงเราไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นสังขาร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 แต่เราไม่เคยรู้เราไปติดตำล่ามันก็เลยว่ามีแต่ทุกสมุทัยดีโรดมากแต่แปรกันอยู่คุณอันนี้เอาของจริงมาเราให้ฟังแต่ดีโรดตัวนี้ก็นีโรดทึนๆเดี๋วมีโรดเบื้องต้นก่อนรุ่นลรุ่นนานกับหมดสงสัยก็บพนไปแล้วก็เป็นนีโรดน้อยๆบัดนีนิดนี้โรดขั้นที่สองเข้ามาเราก็จะมาลูกอมคิดความหนักอกหนักใจมันก็จะพ้นไปมันก็จะลุดไปกับเป็นนีโรดที่ใเนี่ยคำอันนี้โรดคําเดียวนี่แหละมันก็เหมือนกันเอ๊ะมีโรดคําเดียวน้่มันมีหลายสั้นหลายลึกเหมือนกันมักก ดีว่ามันมีเทคนิคมันมีคนไก ค, คนที่รู้เทคนิคคนที่รู้คนไกจริงๆที่จะเอามาพูดถึงได้จริงๆที่พูดเนี่ยบางบางคนก็จะ อ, อึดอัดใจนะแต่อึดอัดใจแต่ดีนะถ้าใครทําตัวได้ออไปปฏิบัติมันจะเป็นยารักษาโใใครคหายจริงๆคาว่านี้โลดตัวสุดท้ายเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นมันจะไม่หงษ์กลับแล้วมันจะเข้าสู่สภาพเข้ามาจริงๆมันไม่หงษ์กลับร่างกายเนี่เข้า พอเดี๋ร่างกายเนี่ยเข้าสู่สภาพของมันใจมันก็เข้าไปเลยนี่อาการเกิดดับเกิดแล้วมันดับไปเลยมันดับไปแล้วอันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันดับไปเลยดับไปเลยก็เหมือนเข้าสู่สภาพของมันมันคาดช่วงออกมาจริงจริงจีวะเขาว่าตาเห็นอะไอย่าให้รู้จักว่าเป็นรูปเลยมันพูดไม่ได้อันนี้ตาเห็นขอรู้จักเป็นรูปที่อันนี้เขาจริงจีวอย่าไปยึดไปถืออ้าวต่พูดคำพูดอะไรมันมีอุปทานอยู่แล้วเนี่ยบัดนี้เราไม่ต้องพูดมันเลยให้มารู้ตัวนี้อุปทานไม่ต้องพูดมันเลย หรือปฏิจจาสมาธิบาปก็ไม่ต้องพูดหมดเอาตัวนี้เข้าไปแก้เลยรับรองแก้ได้ทุกวิถีแปดหมื่นสี่พันพันธมคันอันนี้แหละออกไปจากจิตตัวนี้ทีเดียวเมื่อแม่เอาจิตตัวนี้ไปพูดไม่มีอะไรพูดเลยที่ว่าถ้าสูตรพระวินัยสองปีดก ค, คือตายหนึง่งคำพูดหนึ่งไปเข้ากับปีดกเบี้ยพระพิทามพระพิทามก็คือตัวใจมันคิดมันสร้างมาคนเดียวันนี้เรามาปฏิบัติตัวนี้เนี่ยมันรู้ตัวในี้ใจมันคิดมันเห็นก็กินกันไปทั้งหมดเลย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 เป็นแก่นเป็นใจกลางเขาตัวพุทธศาสนาจริงๆคือตัวลหลุดคน้นี่แหละโต้ดักทุกได้นี่แหละนี่แหละพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็คืออันเดียวนี้ท่านจึงว่าศับท์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแนวแห่งนั้นไปถึงที่ไหนเดินไปติดไม่ต้องเดินไปคือมาถึงมันเคลื่อนไหวรู้ทําตามท่านอันนี้ทันไรเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแนวแห่งนั้นจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้ทําความรู้สึกอันนี้ท่านเวลา แล้วก็จะรูอย่างเราแต่ถากคตนี้ก็จะเป็นจย่าเราแต่ถักตรนี้ก็จะไปถึงที่สุดจย่าเราแต่ถักคตรนี้ทันวันแต่เราไม่ยอมทํานั่นเองคือไม่ยอมทําตามตามันก็ไม่รู้ตามที่บันี้เมื่อทําตามท่านก็ไปตามทานได้เท่านั้นเองบัด น, นี้จะรู้ยังไงเดินไปก็ท่านานั่งอยู่ที่นี่เห็นใจมันคิดตั้งแต่ลูเลยเราก็เคยได้ยินว่าพาระพุทธเจ้าตัดแรู้เพราะการทำทางจิตทางใจเนี่เราทํายังไงทําทางใจมันทำมัไม่ได้แล้วก็มาเอาความเคลื่อนไหวตัวนี้ทํา เมื่อความเคนไหวตัวนี้มันก็นไปทําได้มันเป็นอัตโนมัติมันไปเลยดังนั้นจึงหวังวิธีที่อาตมาพูดได้เป็นวิธีรัดนัดตรงเข้ามาเลยไม่เสียเวลาเลยนั่งเขียนหนังสือก็ปฏิบัติได้จับของขายก็ปฏิบัติได้ถ้าเป็นแถวนะถ้าไม่เป็นแถได้ได้อย่างนั้นแหะได้พื้นพื้เนเล็กเดืเดือกไปเลยเมื่อเรารู้แล้วทําอะไรได้ทุกอย่างจะทําการทํางานตามหน้าที่ของตัวเองเพราะเราเป็นคนเนี่ยก็ต้องรู้จักหน้าที่ของคนที่เมื่อเราเป็นเทวดาเขาต้องรู้จักหน้าที่ของเทวดา เมื u, ่อเราเป็นพระอินทพระพมก็ต้องรู้จ <ocused. S 2> ักหน้าที่ของพระอินทพระพมเมื่อเราเป็นพระก็ต้องรู้จักหน้าที่ของพระเองพระเนี่ยมันมันหลายความหมายนะครับพระก็แปลว่าผู้สอนคนโยมจะสอนคนก็ได้อาตมาสอนมาแล้วสองปีกว่าแล้วก็เป็นพระได้หาวนั้นนุ่งกางเกงนุ่งกางเกงนะเดินจงกรมไปอยู่อ๋อผมขัาวอีกแล้วด้วยนะอ๋อเป็นพระได้เดเดมันคิดขึ้นมามันคิดขึ้นมาเองไม่ใช่คิดมันเก่งขึ้นมาเองเนี่ยเทว่าขว่าถึงทุกข์ก็ได้นะครับที่สุดแล้วอย่าญยมีเขาว่าอย่างไ มันต้องมีอันมาส ก, กัดให้เราจริงๆต้องรู้เมื่อไม่มีอันมาบอกเตือเราจะรู้ได้ทำไมเพราะมันมีพร้อมแล้วทุกอันไน่นอน